นั้นกองทัพมาทั้งหมดก็เคลื่อนพลกันลงมาถึงและชุมนุมรายล้อมอยู่เต็มท้องทุ่งไปหมดแปรขบวนเป็นรูปแถวกองเกียรติยศอย่างงดงามพร้อมกับชูปลายหอกตั้งตรงขึ้นไปบนอากาศแสดงอาการคาระวะสะับพฤภรอมเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มกึกก้องขึ้น3ครั้งแล้วก็เงียบกริบลงในทันที ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาวะดุษนิยภาพเหมือนเดิมกองกำลังทหารจำนวนมากเหล่านั้นหลังจากโหร้องแสดงความเคารพและต้อนรับแล้วก็ยังคงรักษาแถวเป็นรูปหมวดมูห้อมล้อมสพรึพร้อมเต็มท้องทุ่งอยู่เช่นนั้นอย่างเป็นระเบียบไม่ได้ลงจากหลังมาอย่างใดทั้งสิ้นเหมือนจะเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกเดินทางต่อไปได้ทันที จากการสังเกตของฝ่ายอาคันตุกะจากแดนไกลมองไม่เห็นท่าทีว่าทหารทั้งหมดจะหยุดพักพลอยู่ณนะตำแหน่งนี้ใดๆทั้งสิ้นในเวลาเดียวกันก็มีทหารอีกมูหนึ่งนำม้าซึ่งมีหลังอันว่างเปล่าปราชจากคนขี่ติดเครื่องพร้อมรวมทั้งม้าต่างสำหรับเตรียมบรรทุกของต้อนออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มอยู่กลางบริเวณเบื้องหน้าของคณะเดินทางทั้งหมด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 คันตุกกะจากแดนไกลมาก่อนซึ่งฝ่ายของเชิฐาก็จำหน้าได้ดีพวกนั้นต่างพากันส่งยิ้มมาให้แต่ก็ยังอยู่ในอาการอันสงบสำรวมยังเต็มไปด้วยระเบียบวินยัยแม้ว่าฝ่ายเชฐฐาจะโบกมือร้องทักทายเรียกนามออกไปเช่นไรพวกแม่ทัพนายกองเหล่านั้นก็ไม่อาจพอที่จะแสดงอาการทักทายตอบโต้ยางใดได้ในขณะ น, นี้นอกจากสีหน้าและแววตา ซึ่งแสดงความต้อนรับอย่างยินดีและอาการคลอมศีสะลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางฝ่ายของเชษฐาก็มีแต่เพียงข ย, ยินคนเดียวที่ไม่เพียงแต่กระโดดโลดเต้นโบกมือทักกะทะหารพวกนั้นยังตะโกนอยู่โวกเวกลั่นไปหมดจนหนานอินต้องทุบหลังมันไว้แล้วกระซิบบอกให้อยู่ในอาการสำรวมเมื่อนั้นเจ้ากระเรียงลมช้างจึงยิ้มแห้ง ค่อยสงบนิ่งเสียงโวยวายอย่างดีใจของมันเองลงได้นางพญาแห่งมรกฎนครค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้ากระเช้าอีกครั้งมีกระแสรับสั่งจากองค์จกักรราศกําชับพวกเรามาว่าในทันทีที่ได้พบกับคณะของพวกท่านให้เชิญเดินทางเข้าสู่มาหานครอย่างเร่งด่วนโดยมิชักช้าและบัตรนี้ ทางฝ่ายกองทัพม้าที่มาดักรอรับอยู่ก็ตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่อีกนานกว่าตะวันจะรับขอบขุนเขาในนามของจักรราชขอเชิญทุกท่านขึ้นหลังมาที่เตรียมไว้ให้แล้วนี้เธดสัมภาระเข้าของทุกชิ้นที่ติดตัวมาก็ไม่ต้องตังวลแบกหามให้เป็นภาระต่อไปทหารจะเป็นผู้นำบรรทุกไปบนหลังม้าต่างโดยไม่ให้ตกหล่นสูญหาย เราจะเร่งการเดินทางให้เร็วที่สุดและจะพักแรมคืนในหนทางข้างหน้าเพียงแค่ราตรีเดียวก่อนค่ำของวันพรุ่งนี้เราก็จะถึงเขตพระนคเรเศษเษถาซ่อนยิ้มแล้วสันศรีรษะช้าๆเป็นเชิงปฏิเสธนี่มยานีพวกเราทั้งหมดจะไม่ยอมเคลื่อนไหวไปจากที่นี่เลยอย่างเด็ดขาดจะอยู่กันตรงนี้แหละ ถ้าหากเธอยังไม่ยอมตอบคำถามบางประการของเราในสิ่งที่เธอควรจะตอบได้บ้างก่อนพอสมควรใช่ใช่ใช่เราจะประท้วงโดยการไม่ยอมไปกับเธอยังเด็ดขาดละ่ะเมยนีดารินเสริมมาอีกคนอย่างฉีวๆฉวครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งนี่สภาพที่เธอเอาทหารมาดักรอแล้วพบปากกับเราเช่นนี้น่ะมันไม่เหมือนกับการมาต้อนรับกันเลยนะ แต่คล้ายๆจะมาเกาะกลมยึดตัวเป็นเฉลยซะมากกว่ามั้งขอถามอะไรบ้างในสิ่งที่เราร้อนใจอยู่เธอจะไม่ยอมบอกสักอย่างเมื่อครูพี่ใหญ่ก็ถามอะไรเธอออกไปเธอก็ทําเหมือนไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละอยู่เพียงแค่นี้่ไม่ยอมเดินทางต่อไปใดๆทั้งสิ้นเธอจะทํายังไงต่อไปล่ะเนี่ยไม่ย่างนี้หัวรอคี๊คี๊คี๊คเข้ามาโอบกอดดารินไว้ ยุมพิษที่แก้มโดยเรโดยแรงเมยานีก็มีโทษหนักสิคะที่ไม่สามารถจะเอาคณะของเจ้านายทั้งหมดไปให้ถึงมหานครได้ทั้งๆั้งที่มารอพบอยู่แล้วพลางนางก็หันมายิ้มให้กับเชษฐาผู้ยืนกอดอกมองเขมิงนิ่งมาอย่างค้นหาถามมาว่าเอ๊แล้วตะกี้พี่ใหญ่ถามเมยานีว่ายังไงล่ะคะ เชษฐายังไม่ได้กล่าวในทันทีนั้นนอกจากจ้องหน้าเฉยดารินกระซิบว่านี่อย่านึกว่าเป็นราชินีแห่งมรกรนครแล้วจะถูกหยิกไม่ได้นะมิยานีปเดี๋ยวเถอะประเดียเเด๋ยวได้เห็นฤทธิ์พี่สาวคนนี้ไม่บ้าดีเดือดจริ ง, รงๆก็คงไม่บุกมาจนถึงมรกรนครอีกครั้งหนึ่งหรอกนางถอยห่างพละจากดารินออกมาอย่างรู้เชื่แล้วเดินเข้ามาเกาะแขนเชษฐาไว้ เอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงใสกังวานฟังชัดเจนได้ยินไปทั่วในคณะของผู้ที่ติดตามค้นหาระพินว่าพี่ใหญ่คะอย่า ก, กังวลร้อนใจไปเลยคะ่ะคณะของพี่ที่มุ่งนะับมุ่งหน้าย้อนกลับมายังมรกรนครแห่งนี้เนี่ยน่าจะตรงเป้าหมายที่สุดแล้วอากาศยานที่ประดิษฐ์ด้วยโลหะของมนุษย์จากโลกภายนอกลำหนึ่งได้หลงพลัดล่วงล้ำดินแดนนี้เข้ามา และได้ตกอับปางอยู่ในแผ่นดินของเราจริงจริงถูกต้องตามที่พี่ถามเมื่อครู่นี้ทุกประการค่ะแม้จะมีสังหรณ์เชื่อมัน่นเป็นทุนเดิมมาก่อนแล้วทุกคนของฝ่ายติดตามระพินซึ่งเปิดโสดกว้างรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเชษฐาดารินอนุชาหรือชัยยันบัดนี้อยู่ในภาวะตะลึงตัวชากันไปหมดต่างยังไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้ ในทันทีนอกจากจะมองสบตากันอยู่ไปมาขนลุกชันขึ้นทั้งกายมีความรู้สึกอันไม่อาจจะบรรยายได้ถูกเทพะเจ้าทรงโปรดในที่สุดในที่สุดมันก็เป็นความจริงดารินวราริธขยับริมฝีปากอูทานออกมาแผ่วเบาแทบไม่มีเสียงใบหน้าของหลอนซีดและแดงเข้มสลับกันอยู่เช่นนั้น ชายันและอนุชาดีดนิ้วโดยแรงอย่างสมหวังส่วนเชษฐายิ้มออกมานน้อยโดยอาการที่ระ ง, งับความตื่นเต้นเอาไว้นี่เมยานียืนยันให้ฝ่ายพี่ได้มั่นใจอีกสักครั้งสิว่าว่าสิ่งที่เธอพูดน่ะเป็นความจริงค่ะเมยานีขอยืนยันในสิ่งที่พูดแล้วค่ะอากาศยานลำหนึ่งของมนุษยชาติแห่งโลกที่นอกเหนือจากโลกของเราออกไป มาอับปางอยู่ในแผ่นดินของเราจริงเมื่อพวกพี่ได้ไปถึงมหานครแล้วก็จะได้เห็นกระตาตนเองสภาพของมันที่ตกหล่นลงมาพังพินาศยังไงก็คงทรงรูปลักษณะอยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีพวกเราคนใดไปแตะต้องกับมันเลยและนี่คือสัญญาณบอกเหตุให้องค์จักรรารงทราบได้ในทันทีว่าพวกพี่ๆจะต้องหวนกลับเข้ามาเยี่ยมเยือนพวกเรา ที่มรกนครอีกวาระหนึ่งโดยพระองค์ทรงเฝ้านับวันรอคอยอยู่เมยานีพวกเราน่ไม่ได้มาตามอากาศยานลำนั้นโดยตรงหรอกชัยยันพูดขึ้นด้วยเสียงแหบต่ำแต่พรานใหญ่ระพินไพรวันน่ะเป็นผู้ออกติดตามอากาศยานลำนั้นพร้อมกับฝ่ายของเจ้าของอากาศยานลำที่อับปางสูญหายไปพวกเราอ่ะ โดยเฉพาะนายหญิงมุ่งติดตามพรานใหญ่ระพินมาอีกทีนึงพวกเขาออกเดินทางมาก่อนหน้าเราเจ็ดวันโดยไม่มีโอกาสรู้ได้พวกเราได้ติดตามไล่หลังเขามาตลอดเวลาแห่งการเดินทางเราตามเขาไม่ทันไม่มีโอกาสได้พบกันระหว่างทางเลยแต่ทางด้านเรานะมั่นใจว่าเขามุ่งหน้ามาที่นี่แล้วเราก็ได้ติดตามมาที่นี่ นางกม้มศีรษะน้อยๆอย่างยิ้มพลายค่ะจักรราศงทรงาบในข้อนั้นดีแล้วล่ะค่ะพิชยันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คำถามมันก็จึงมีอยู่ว่าพรานใหญ่รพินที่ล่วงหน้ามาก่อนเราเขาได้เหยียบย่างเข้ามาถึงมรกรณครแล้วหรือยังแล้วขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะอนุชาวราริสกล่าวขึ้นช้าๆชัดถ้อยชัดคา ตรงเข้าหาเป้าหมายในทันทีดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยประกายลึกลับซ่อนงำในขณะเดียวกันก็ปากบนไปด้วยแววชื่นชมสมนัดและสบสายตาของแต่ละคนไปตามลำดับจนกระทัง่งมาจับนิ่งประสานอยู่กับดารินเป็นคนสุดท้ายพรานใหญ่ระพิน นางพึงพมพำพร้อมกับถอนใจออกมานิดนึงแต่ในการจับสำรวจอย่างแน่วนิ่งของดารินและทุกคนของฝ่ายติดตามมามองไม่เห็นแวววิตกทุกร้อนกังวลใดๆให้ปรากฏเมยานีจะให้คำตอบแก่เหล่าท่านทั้งหลายได้ยังไงจึงจะไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนต่อองค์การประกาศสิทธิของจักรราช ที่รับสั่งให้ปิดปากสนิทไว้ก่อนก็แปลว่าเธอยังไม่ต้องการใจฉันรู้หรือได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับระพินในขณะนีท้ทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมาตามเขาอย่างชนิดที่แชบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วแม้กระทั่งกระทั่งเยียบก็มาถึงแผ่นดินมรกฏนคร น, นี่แล้วก็ตามก็ยังไม่มีโอกาสที่จะรู้ข่าวอะไรของเขาบ้างเลยเหรอมิลานี ดารินรุกกระชัน้นหางเสียงออกจะผิดหวังน้อยใจนายหญิงคะเหตุใดนายหญิงจึงเอาแต่คาดคั้นเมยานีอยู่เช่นนี้แทนที่จะมุ่งเข้าสู่มหามรกฎนครเพื่อพบองค์จักรราษีโดยเร็วเพราะสิ่งที่นายหญิงต้องการเห็นต้องการรับรู้ทั้งปวงคอยอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว นายหญิงบุกบันฟาฟันความทุกข์ยากแสนสาหัสมาเป็นระยะอันยาวนานแล้วราชฐานมรกนครอันเป็นแหล่งคลี่คลายปมปัญหาทั้งปวงรอคอยอยู่ในเส้นทางข้างหน้าใกล้ๆนี่เองเพียงแต่ระยะเดินทางไม่เกินตะวันตกดินพรุ่งนี้ก็จะถึงชไหนเลยจะต้องมาเขี่ยวเข็นเมยานีให้บอกในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่าง เมญานีก็ยังไม่อาจจะล่วงรู้ได้นอกจากจะคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่ที่แน่นอนและเป็นความสัตย์จริงที่สุดก็คือเมญานีก็ยังไม่ได้พบเห็นพรานใหญ่ระพินบนแผ่นดินส่วนใดของมรกรนครและถ้าจะถามทหารมาทั้งกองทัพนี่คาตอบก็จะตรงกันคือยังไม่มีใครพบเห็นพรานระพินเลยทั้งสิ้นค่ะ ดารินเม้มริมฝีปากแน่นเริ่มหดหูในดวงใจอีกหันไปทางพวกพี่ๆ พ, พ, พึมพำเสียงเครือว่าถ้า ง, งั้นถ้า ง, งั้นถ้า ง, งั้นก็แปลว่านิรพินยังเหยียบขึ้นมาไม่ถึงดินแดนนี้มันจะหมายความอย่างนั้นใช่ไหมคะเชิดาเอื้อมมือมาบีบไหล่น้องสาวไว้ใจเย็นๆ น, น้อยใจเย็น แล้วมันก็เป็นความจริงตามที่เมยานีพูดไว้คือทำไมเราไม่รีบเดินทางเข้าไปพบจักรราเช่นในทันทีจะซักจะถามอะไรมันมากเรื่องมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาหรอกเสียเวลาเปล่าก็เป้าหมายเราอยู่ที่นี่และเราก็บรรลุเป้าหมายแล้วนี่ซ้ำยังได้รับรู้แน่ชัดออกไปว่าเครื่องบีห้าสิบสองมาตกที่นี่โดยไม่ได้ผิดคาดไปเลยอะสมมติว่ารพินได้มาถึงก่อนหน้าเราแล้วเราก็ได้พบเข้า พบเขาในเมืองแน่นอนหรือว่าถ้าเขามาถึงก่อนหน้าเขาเรามาถึงก่อนหน้าเขาเพราะเราได้ทางลัดที่ย่นระยะแล้วก็มีอุปสรรคน้อยกว่าเราก็เป็นขวายรอคอยเขาอยู่ที่นั่นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ต้องคิดมากนี่ใช่ใช่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วชยันกับอนุชาสรุปขึ้นพร้อมๆกันอย่างเห็นด้วย ถ้าถ้าเช่นนั้นดารินตักสินใจเด็ดขัดหันมาทางราชินีแห่งมรกตนครถ้างั้นเราก็จะไปพร้อมกับเธอเดี๋ยวนี้เมยานีเมยานีหันไปบัญชาการกับทหารของนางในทันทีนั้นการเคลื่อนไหวเริ่มเกิดขึ้นแล้วชั่วไม่นาน ก็มีทหารจูงม้าเข้ามามอบให้คณะเชิดาจนครบคนเพื่อให้ใช้เป็นพาหนะทุกตัวเป็นม้าศึกติดอาวุธของนักรบมรกรนครครบครันสำหรับเชฐดาดารินอนุชาและชยันไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนขี่ม้าคล่องแคล่วอยู่ก่อนแล้วก็มีเฉพาะนานอินขยินและพวกลูกหาบเท่านั้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งไปบนหลังมา้าซึ่งก็มีทหารประกบ คุมเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆคนละคู่โดยระมัดระวังไม่ให้ม้าสะบัดตกลงมาจากหลังส่วนสัมภาระข้าวของที่แบกหามกันมาก็แยกย้ายขึ้นไปบรรทุกอย่างมั่นคงแข็งแรงบนหลังม้าต่างพวกลูกหาพากันตื่นเต้นกับสิ่งที่ตนเองมาประสบพบเห็นอยู่ในขณะนี้โดยมีความรู้สึกเหมือนฝันไปฉะนนั้นแต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจ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 กว่าการที่จะเดินเท้าหลายเท่าเสียงฝีเท้ามานับพันสะเทือนกึกก้องไปทั่วบนถนนกว้างใหญ่ยาวเหยียดสุดสายตาที่ไตยทอดไปตามยอดเขาสูงสูงต่ำาๆนั้นคณะของฝ่ายอาคันตุกตะทั้งหมดถูกแวดล้อมอยู่กลางขบวนโดยมีกองหน้านำเมยานีรวมกลุ่มอยู่กับฝ่ายของเชษฐา ขนาดด้านข้างของนางคือดารินและอนุชาส่วนขยินและครูพรานนันอินนั้นอยู่รังท้ายของขบวน ล, ลูกหกัดที่เป็นแถวเรียงห้าอยู่เบื้องหน้าเพื่อคอยตรวจสอบมาที่บรรทุกสัมภระอย่างคนไม่ประมาทและรู้ต่อหน้าที่ของตนขณะนั้นดารินก็ปลดไรเฟินที่สะพายเฉียงไหลออกแล้วโยนส่งไปให้พี่ชายกลางพร้อมก็ บ, บอกว่า ฝากถือไว้ด้วยค่ะอนุชารับมาได้อย่างงงงไม่ทราบเหตุใดน้องสาวจึงถอดไรเฟิลที่สะพายกระลายโยนมาให้ยังไม่ทันจะอ้าปากร้องถามเช่นไรก็เห็นหล่อนเร่งฝีเท้าม้าดำสนิทตัวที่ขี่อยู่ต้ขนาบข้างราชินีเมยานีแห่งมรกตนครเข้าไปอย่างกระชั้นทิดยกปลายขาที่สออติดอยู่กับโกลนด้านข้างของมา้าควายขึ้นมาว้บนอานตะโกนร้องเรียก เมยานีเมยานีพ่อนางหันมาทางเสียงเรียกร่างของดารินก็ลอยและลิ้วยังผาดโผนไปคล่อมอยู่บนด้านหลังของ ม, าม้าเมยานีวงแขนทั้งสองรวบกอดเอวของนางไว้กลายเป็นเพนจากหลังม้าของตนเองเข้าไปอาศัยเกาะหลังเมยานีขี่ไปตัวเดียวกันนายหญิงระวังตกมา้านางร้องออกมาอย่างตกใจเพราะคาดไปไม่ถึง ไม่มีวันสะะักถึงฉันจะขี่ม้าไม่เก่งเหมือนอย่างเธอฉันก็เคยขี่ม้าผ่าผลมาแล้วไปฉันจะไปม้าตัวเดียวกับเธอไม่งั้นคุยกันได้ไม่ถนัดหรอกหล่นตะโกนกรอกซองหูเมยานีขณะที่กอดเอวนางพญาผู้เจนศึกของมรกรนครไว้แน่นเมยานีหัวร้อแหลม <les> <to> you, <laughs> นายหญิงนี่เก่งกล้าเหลือเกินถ้าโดดเกาะพลาดหลน่นลงไปเมื่อครู่นี้ รู้เปล่าม้านับพันที่ควบตามหลังมาจะเหยียบนายหญิงแหลกเป็นผงทีเดียวโอ้ยเสียงกว่านี้ฉันก็เคยทํามาแล้วเมายานีนับประษาอะไรกับการสับเปลี่ยนม้าสึกขณะที่กําลังวิ่งอยู่เอาละเอาละถึกบังคับมาไปฉันจะเกาะหลังแล้วเดี๋ยวเราจะตะโกนคุยกันฉันจะกรอกเสียงก็ไปในหูเธอหูแตกทีเดียวถ้าเธอไม่ยอมตอบอะไรฉันพอใจได้เมายานีแหงหน้าหัวเราะ เส้นผมยาวเป็นคลื่นงามของนางและของดารินประยูสวิวทั้งคู่ขี่ม้าไปตัวเดียวกันท่ามกลางสายตาของพี่พี่ที่แล่มาเห็นอย่างตะลึงตกใจไม่คิดมาก่อนว่าดารินจะกล้าเสียงอย่างบ้าบินถึงขนาดนั้นแทบจะดูไม่ทันระหว่างที่หลอนเพนจากหลังมา้าตัวที่กาลังควบอยู่กระโดดไปเกาะหลังม้าของเมยานีไวแต่ทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ ว่าดารินต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเมยานีมากที่สุดในระหว่างการเดินทางนั้นเมญานีรักนายหญิงอยากให้นายหญิงอยู่ในมรกรนครตลอดไปเอาแล้วใจฉันอยู่กับใครแหละที่มรกรนครนั่นทั้งสองตะโกนโต้ตอบกันได้ยินกันเฉพาะสองต่อสอง ถ่ามกลางเสียงฝีเท้ามารอบด้านที่กระหึมก้องไปหมดก็อยู่กับพรานใหญ่ระพินอยู่ในท่ามกลางคนที่รักพักดีต่นายหญิงดิและพรานใหญ่ระพินน่ะเหรอก็เดี๋ยวนี้เขาไปเป็นตายรายดีหรือไปมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่กับใครที่ไหนเหล่านายหญิงชีวิตของพรานระพินน่ะ จะไม่มีความสุขสมบูรณ์กับใครได้หรอกนอกจากนายหญิงของเมยานีคนนี้เท่านั้นเลยนายหญิงน่ะประเสริฐสุดแล้วที่ตัดสินใจติดตามเข้ามาเมยานีขอคารวะในน้ำใจของนายหญิงนายหญิงไม่ทอดทิ้งคนที่แสนรักและพักดีต่อนายหญิงจนสุดชีวิตนั่นนะ่ะถูกต้องแล้ว ใช่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยเขาห่างตายอีกแล้วแต่เธอทำไมไม่ยอมบอกเราว่าขนาดนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วนายหญิงก็จะได้พบเขาเองเลยสมกับคำอธิษฐานไวในระยะอันไม่นานนี่ฉันถามว่าตอนนี้เขาอยู่ไหน ด่ารินจอปากเข้าไปใกล้หูเมยานีตะโกนแหลมสุดเสียงจนนางต้องแยกเขี้ยวหลับตาลงถ้าเมยานีบอกว่าไม่รู้ก็แปลว่าเธอโกหกหรือแกล้งปิดบังฉันฉันรู้ว่าเธอรู้อู้อย่าตะโกนกรอกหูเมยานีหูจะดับแล้ว ก็บอกมาสิไม่งั้นจะไม่ตฉะโกนเฉยๆนะจะเวียงให้ตกจากหลังม้าลงไปเลยลองดูมามเวียงไม่านีเมญานีไม่ตกหรอกระวังนายหญิงจะตกไปเองเอาเาเ อ, าเอายอมยอมยยอ ม, ยอ ม, ย, อมยอมบอกให้แล้ว เวลาเดียวกับที่นายหญิงไต่ขึ้นเขามาถึงกลางถนนพระศิวะพรานใหญ่ระพินนำคนฝ่ายเขาไต่ขึ้นหัวถนนพระศิวะแล้วห่างกันโดยระยะมาเดินทางเพียงครึ่งวันเท่านั้นหละคณะของนายหญิงจะเดินทางถึงราชฐานมรกกนครก่อนข้ามรุ่งนี้ส่วนคณะของพรานระพินน่ะจะถึงราชฐานยามเที่ยงคืนเดียวกัน ถ้าไม่มีการหยุดพักนะแต่ถ้าหยุดพักก็จะไปถึงในเวลาเช้านี่เมยานีเสียสัจจาที่ให้ไว้กับองค์จักรราแล้วนะที่รับสั่งกรรมชับมาว่าไม่แปรงพลายใดๆทั้งสิน้นโอ้ยสวรรค์ทรงโปรดจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเมายานี แล้วนายหญิงจะได้เห็นเองแต่ขอสัจจะ ก, กันเมยานีสักข้อนะสัจจะอะไรอย่าแพร่งพรายโดยวาจาให้พวกของนายหญิงคนไหนรู้สิ่งนี้ก่อนอย่าแสดงให้รู้แม้กระทั่งอาการกิริยานะดารินวราฤทธิ์ดีใจจนสุดขีดแทบลืมตัว กอดรัดเอวเมยานีไว้แน่นจนอีกฝ่ายร้องอุทานลั่นออกมาโอ้ยนายหญิงเมยานีจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเมื่อ น, นั้นดารินจึงรู้สึกตัวคลายอ้อมแขนที่รัดเอวนางพญามรกตนครออกฉันให้สัจจาต่อเธอจะไม่แพ่งพรายอะไรให้พวกเราที่มาทั้งหมดที่ได้รู้ก่อน แต่เธอต้องตอบฉันไปตามจริงทุกอย่างที่เธอรู้นะขณะที่ตะโกนพูดดารินเอาใบหน้าแนบกระแผ่นหลังของเมยานีอย่างแสนรักสนิทระหว่างที่ม้ากําลังเพ่นผลวิ่งนีแ่แปลว่าเธอรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงแต่ยังไม่ยอมบอกฉันแต่แรกเท่านั้นเธอแน่ใจเลอเมลา น, นี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 ไอติอดเลยเหนื่อยยากแสนสาหัสกว่าฝ่ายของนายหญิงมากนะักเพราะพวกเขาต้องไต่ตัดเทือกเขาสูงขึ้นมาหลายเทือกทั้งสองตะโกนตอบโต้สนทนากันโดยไม่มีใครอื่นสามารถจับกระแสะความได้ทั้งสิ้นเนื่องด้วยเสียงฝีเท้ามากลบหมดแปลว่าเขามุ่งมาทางเนินพระจันทร์ โดยไม่ได้เลือกเส้นทางอื่นเลยใช่ไหมเขาขึ้นมาทางเกา่าแต่ฝ่ายของนายหญิงสี่รับทางมาโดยการนำของวายาจึงตัดขึ้นสู่ถนนรศิวะในส่วนกึ่งกลางของถนนนายหญิงได้มาดักหน้าเขาแล้วแม้จะเป็นฝ่ายติดตามมาที่หลังก็ตามเมยานีตอบ โดยปราศจากการปิดบังอมพน้ำอีกต่อไปดีจริงวิเศษสุดเลยฉันนะพยายามจะตามเขาให้ทันระหว่างทางแต่แล้วกลับเป็นว่าฉันได้มาถึงจุดหมายปลายทางก่อนพวกเขาเสียอีกคิดไม่ถึงเลยอาแล้วทั้งหมดนี้เธอรู้ได้ไง จั ก, กรรารงร่วงรู้เหตุการณ์หมดทุกอย่างและทรงกระซิบสั่งความแก่เมยานีเพื่อรู้ล่วงหน้าทุกประการโดยไม่ทรงปิดบังในขณะที่กองทัพม้ารักษาพระองค์ส่วนใหญ่น่ะภายใต้บัญชาของเมยานีได้มุ่งมาดักรอยอยู่ยังจุดของคณะนายหญิงจะไต่ทางขึ้นอี ก, กองทัพหนึ่ง ก็ได้รับบัญชาให้ไปรอคอยดักรักฝ่ายของพรานระพินพร้อมกันแล้วยังต้นทางของถนนพระศีวะขณะนี้เชื่อว่าคงพบกันแล้วละและคงอยู่ในระหว่างเดินทางมาตามถนนสายนี้เช่นกันดารินลืมตากว้างร้องออกมาอ้าเมยานีถ้าอย่างนั้นทําไมเธอไม่พวกเราพักรอเขาอยู่ยังตําแหน่งที่เราโผล่กันบนถนน ฉันต้องการพบเขาโดยเร็วที่สุดทำไมถึงรีบเอาพวกเราทั้งหมดออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยที่ถ้ารอก็ต้องพบกันในระหว่างทางอยู่แล้วนี่มีกระแส ร, รับสั่งมาจากองค์จักรราษให้เมญานีรีบนำคณะของนายหญิงออกเดินทางเพื่อมุ่งเข้าหามาหานครโดยทันทีอย่างไม่ชักชา้า เพื่อให้ถึงราชาฐานซะ ก, ก่อนโดยเร็วไม่ทรงอนุญาตให้เสียเวลาหยุดรอนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รับสั่งกำชับมาหนักหนาว่าไ ม, ม่ให้เมญานีบอกความจริงอะไรเกี่ยวกับพรานระพีนก่อนเพราะถ้าขืนบอกนายินก็ต้องหยุดรอแน่ทำให้ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของจักรราช คณะของนายหญิงไม่จำเป็นต้องรอเสียเวลาเพราะถึงยังไงทางฝ่ายของพรานรพินก็เดินทางมาในเส้นเดียวกันอยู่แล้วและต้องได้พบกันแน่นอนในราชฐานโดยระยะเวลาที่เว้นห àng, ่างเท่าๆกันนั่นแหละไม่ได้เชื่องช้าไปกว่าการหยุดรอเลยนายหญิงไปถึงก่อนได้หยุดพักก่อน คาราพินกับคณะของเขาจะตามไปถึงในเวลาไม่นานเกินไปนักอย่างที่เมยานีบอกแล้วถ้าไม่เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ก็จะถัดไปเป็นเวลาเที่ยงของอีกวันหนึ่งจักรราชต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพบกันภายในราชธานของมรกนครไม่ต้องการให้พบกันระหว่างทางนี่เมยานียอมบอกความจริงทั้งหมด เท่าที่เมยานีทราบแกนายหญิงแลว้วขอนายหญิงอย่าได้กระทำสิ่งใดให้เป็นการขัดพระประสงค์ของจักรราษเลยได้โปรดเห็นแกเมยานีด้วยเพราะทรงรู้ว่าระหว่างทางเมยานีบอกเล่าอะไรกับนายหญิงไปหมดสิ้นอย่างนี้ก็ต้องไม่พอพระไทยเมยานีเป็นอย่างยิ่งดารินยิ้มปลืม่มทั้งน้ําตาจูบที่ต้นคอของเมยานีโดยแรง ฉันเข้าใจแล้วและจะไม่ทำให้เธอต้องลำบากหรอกน้องสาวขอบใจเหลือเกินที่ยอมบอกข่าวมันเป็นมงคลที่สุดในชีวิตของฉันแม้ว่าครั้งแรกจะทำเป็นบายเบียงปิดบังแบบเจ้าเล่์อยู่เป็นนั้นว่าฉันยอมล่วงรู้ฉันยอมล่วงหน้าไปในราชาฐานของมรกนครก่อนตามพระประสงค์ของจักรราชโดยไม่ขัดขืนดื้อดึองละ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะพี่สาวอย่าใจร้อนกระวนกระวายไปกว่าเหตุถึงยังไงนายหญิงก็ต้องได้พบกับพรานรบพิน ย, ย่างไม่คลาดเคลื่อนในอนาคตอันมองเห็นใกล้ๆนี่สวรรค์ทรงโปรดขอยเป็นเช่นนั้นเถิดนั่นคือสิ่งที่ฉันพร่ำภาวนาไว้ ว่าแต่ใครเป็นคนรับบัญชายทำหน้าที่คุมทหารไปดักรับระพินละ่ะบิดาของเมยานีเองนายหญิงบิดาท่านขุนพลท่าอราชุนน่ะหรอใช่แล้วนายหญิงผู้เท่าอราชุนพรมเมตรแลวก็วามิร เป็นฝ่ายแยกไปรับคณะของพรานรพินยังต้นถนนพระศิวะทุกคนก็ถูกองค์การประกาศสิทธิให้ปิดปากสนิทเช่นกันไม่ยอมให้ผู้ใดบอกข่าวใดๆของฝ่ายนายหญิงเลยจกกรรักราชต้องการให้พรานรพินได้พบเห็นนายหญิงในราชฐานโดยไม่รู้ตัวมาก่อนโดยแทย้จริงแล้ว พระองค์ไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายรู้ตัวล่วงหน้าใดๆก่อนทั้งสิน้นต้องการให้ไปพบเห็นไปเชิญหน้ากันเองในราชาฐานโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแต่เมย่านี้ก็ปากโบนพระทนรบร้าของนายหญิงไม่ไหวยอมบอกความจริงให้นายหญิงทราบซะก่อนทราบอย่างนี้แล้วขอให้รู้ไว้เฉพาะตัวเองตามลําพังนะ อย่าได้บอกกับฝ่ายนายหญิงคนใดให้พลอยรับทราบ ด, ด้วยตามที่เมยา น, นีขอสัตย์จะไว้ได้ฉันให้สัญญากับเธอไว้แล้วว่าจะไม่บอกให้พวกฉันคนใดรู้จะไม่แสดงอาการใดๆให้พวกเขาสงสัยด้วยจะไปให้สนิททีเดียวแต่อดแปลกใจไม่ได้ที่แง่ทรายเล่นตลกอะไรอย่างนี้ อยากรู้เหลือเกินว่าขณะนี้เขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาควรจะออกมารับพวกเราด้วยตัวเองถ้าไม่เลือกมาดักรับทั้งฝ่ายฉันก็น่าจะไปคอยดักรักทั้งฝ่ายระพี น, น่นตอนนี่ไม่เห็นมีวี่แววอะไรของเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นสมเด็จพระเจ้าจาักราธิราชไปแล้วถือพระเกียรติไม่ยอมลดองค์ลงมาเพื่อเป็นฝ่ายพบเรา นอกจากประทับอยู่บนบัลังเว้ยฝ่ายเราคลานเข้าไปหาไงประโยคหลังดารินเน็บมาอย่างน้อยใจระคนพิษสวงสงสัยเมียนีส่งเสียงหัวเราะลั่น <c oughs> นายหญิงไปถึงมรกรนะครแล้วก็รู้เองแหละว่าอาดีตคนรับใช้เก่าของนายหญิงนะ่ะทำอะไรอยู่ที่ไหนเมียนีจะพาไปเห็นกับตา ถ้าหากว่าคนที่เคยมีนามเรียกขานว่าเงาทรายไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึง่งทั้งฝ่ายของนายหญิงและฝ่ายของพรานรพินจะไม่มีวันเดินทางย้อนกลับมาถึงดินแดนนี้อีกได้เลยและทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้วถ้านายหญิงและพรานรพินตลอดจนทุกคนที่มากันในครั้งนี้ ได้ไปเห็นสภาพของแงซทรายในขณะนี้เชื่อที่จะรักแงซทรายขึ้นอีกมากมายนักและแทบไม่เชื่อสายตาว่าเขาคือสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราีิราชก็จริงอยู่แต่สำหรับพวกเจ้านายเก่าแล้วเขาคือแงซทรายคนเดิมนั่นแหละเขารู้เห็นหมดทุกอย่างนับตั้งแต่อากาศยานของมนุษย์จากโลกภายนอก มาอัปางอยู่ในมรกรกนครเขารู้ว่าพรานกรพินจะต้องหวนกลับคืนมาที่นี่แล้วก็รู้อีกด้วยว่าหนายหญิงจะต้องออกติดตามพรานกรพินมาหนทางก็ห่างไกลยากแค้นธุรกันดานนักถ้าเขาไม่กระทําการอย่างใดสักอย่างนึงบุคคลทั้งสองดารินกระพินจะตามกันไม่ทันอีกแล้วล่ะในชาตินี้ คำพูดของเมยานีทําให้ดารินต้องอึ้งไปไม่อาจจะแซาซีถามอะไรต่อไปได้อีกทนางพญาแห่งมรกฎนครได้ให้ข่าวอันเป็นประโยชน์แก่หลอนมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้แล้วคนเกาะหลังมาเมยานีไปอย่างสงบเหลือบมองหลังไปทั้งด้านซ้ายและขวา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 หัวใจอันเร่าร้อนกระวนกระวายมาตลอดแห่งการเริ่มต้นเดินทางเริ่มสุขสงบลงแล้วอยากจะมองเห็นภาพเหลือเกินว่าขณะนี้ระพินไพรวันกําลังอยู่ในภาวะใดขณะที่เดินตามทางมาด้วยกันกับเขาทั้งหมดเหล่านั้นยังอยู่กันครบถ้วนดีหรือไม่หรือว่ามีใครล้มหายตายจากไปบ้างสภาพของแต่ละบุคคลจะเป็นเช่นไร และได้ออกเดินทางมาจากถนนพระศิวะแล้วหรือว่ายังหยุดพักกันอยู่บนหัวถนนแห่งนั้นและก็อดคิดไปไม่ได้ว่าถ้าฝ่ายลอนอยู่รอตาแหน่งที่ขึ้นมายังถนนพระศิวะตอนแรกโดยไม่ออกเดินทางมาเวลาค่ำหรืออาจจะดึกลงเล็กน้อยฝ่ายของระพินก็น่าจะเดินทางมาถึงและพบกันระหว่างทางได้พอดี แต่นี่โดยคำขอร้องของเมยานีโดยยึดถือตามประกาศสิทธิ์สั่งของจักรราษอนจำเป็นจะต้องล่วงหน้ามาก่อนแล้วค่ำนี้ณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในหนทางอันยาวเหยียดเบื้องหน้าที่ฝ่ายหลอนหยุดพักก็อาจจะเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินและคณะโดยการนำของขุนพลอรชุนผู้เท่า อาจจะมาหยุดพักอยู่ยังตำแหน่งที่พวกหลอนไตาทางขึ้นมาถึงกลางถนนพระศิวะก็ได้จะยังไงก็ตามหล่อนได้มีความหวังที่เด่นชัดแน่นอนที่สุดแล้วในที่สุดในที่สุดฉันก็ตามเธอมาจนแลเห็นเงาอยู่นะับบัดนี้แล้วแต่เธอคงจะไม่รู้หรอกนะระพิน ว่าดารินคนนี้ยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่า ง, ง, ง, ง, างเพื่อมาตามหาเธอถ้าเธอเห็นฉันได้อย่างไม่คาดฝันกลางราชธานมรกรนครเธอจะรู้สึกยังไงบ้า ง, งแล้วตัวฉันเองละ่ะจะมีความรู้สึกในขนาดนั้นยังไงมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะทำนายใดๆได้ถูกเลยครั้นแล้ว ตะวันก็เลือนแสงท้องฟ้าเริ่มสลัวมัวมืดลงกองทัพมาของราชินีแห่งมรกฎนครได้หยุดพักอยู่บนไหลถนนตำแนงหนึน่งเหนือเนินสูงใกล้ทานน้ำตกเล็กๆกระโจมพักแรมได้ถูกขึงกลางขึ้นในทันทีสำหรับเป็นที่พักแรมราตรีของฝ่ายอาคันตุกะ และสเสบียงอาหารอย่างที่ใช้กลางศึกแต่ก็ดีเยี่ยมสำหรับบุคคลชั้นขัตติยะก็ถูกลาเลียงเข้ามามีกระโจมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆสำหรับเป็นที่พักนอนของพวกลูกหาบทั้งหลายแต่เชษฐาขออนุญาตทหารให้คนเหล่านั้นได้เข้ามาร่วมรับประทานอาหารอยู่ภายในกระโจมใหญ่ที่พักของฝ่ายนายจ้า ทุกคนรับประทานอาหารมื้อค่ำกันอย่างโอชะและเป็นสุขพร้อมกับสนทนากันไปพลางโดยไม่มีฝ่ายทหารของมรกฎนครคนใดเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยภายหลังจัดหาโภชนาการตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมเพรียงแล้วดารินปฏิบัติตามสัจจะที่ให้ไว้แก่เมญานีได้อย่างมั่นคง หล่อนไม่ได้แสดงอาการกิริยาใดๆให้เป็นที่ผิดสังเกตไปจากสายตาของพักพวกทุกคนเลยในกรณีที่รู้กระแสข่าวอะไรมาก่อนแล้วคงสนทนาพูดจาอยู่กับทุกคนในสภาพปกติแต่ถ้าใครมีสายตาที่แหลมคมสังเกตจับอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะเห็นได้ว่าน้องสาวคนเล็กมีอาการแช่มชื่นสุขใจและแววตาแจ่มใสผิ ไปกว่าทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้สะดุดใจใดๆทั้งสิ้นเพราะย่อมเข้าใจว่าดารินดีใจที่ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้แล้วซึ่งนั่นคือความสำเร็จอันสูงสุดชนิดหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้อันทุกคนก็มีความรู้สึกในทํานองเดียวกันหลังรับประทานอาหารเสร็จ ระหว่างที่พวกพี่ๆยังนั่งสนทนากันอยู่กันานอินและขยินดารินแยกตัวไปเอนกายลงนอนอยู่บนพรมหนังแกะนุ่มในลักษณะชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งรีสะพิงเป้หลังสูบบุหรี่พ่นควันช้าๆและสงบเงียบอยู่คนเดียวจมลึกอยู่ในความคิดชยันไม่เห็นหล่อนร่วมวงอยู่ด้วยนานพอสมควร แล้วก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้จึงเหลียวมองหาพอเห็นก็ทักมายิ้มยิ้มว่าอ้าวไปนอนเงียบๆอยู่คนเดียวตรงนั้นเนระกำลังคิดอะไรอยู่น้อยดารินยิ้มให้นิดนึกงเป่าควันบุรีเป็นทางยาวขึ้นไปเบื้องสูงตอนนี้ไม่ได้คิดถึงระพินเลยนะบอกตามตรงเพราะคิดจะจนไม่คิดละ แต่กำลังคิดถึงแงซรายกระสางปลาทุกคนหัวเราะในคำพูดของหลอนเฮานะ่าพรุ่งนี้เราก็คงจะได้พบทั้งสองคนนั่นแหละล่ะอนุชาบอกมาอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษเออแล้วที่คิดถึงมากเป็นพิเศษอีกสี่คนก็คือบุญคาจันเกิดแล้วก็เสยสีทหารเอกของรพิ น, นั่นอยาก อยากเห็นนะหน้าแล้วก็สําหรับเด็กๆสี่คนอะเฮ้ยบุญคำกระจั น, นมันจะเด็กแล้วแต่ถ้าเกิดหรือเสยเธอจะเรียกเด็กก็ยังพอไหวนะ่ะน้อยชายันแย้งมาอย่างขัดขัดหูนะบุญคําจะแก่สักขนาดไหนจนันชายุ่สักเท่าไหร่เขาก็ล้วนเป็นเด็กสําหรับฉันเสมอแหละแยะฉันก็รักเขามากทั้งสี่คนนั่นแหละ ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงมั่งนะถ้าคนใดคนหนึ่งต้องเป็นอะไรไปในการเดินทางครั้งนี้ฉันคงให้อภัยระพินยากทีเดียวเฮ้ยเจ้าธมลสีตัวของระพินน่ะะหัวแข็งกว่าตัวเจ้านายซะซ้ำไปนะจะบอกให้ไม่เคยเป็นอะไรเลยสักอย่างตรงข้ามกัรบระพินของเธอซะอีกที่มีโรคประจำตัวเผลอๆก็ลงมานอนจับสันเป็นเจ้าข้าวไม่ได้สติสตัง โดยแท้ที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงอะไรเลยก็เพียงแค่เป็นคนมีฝีมือเท่านั้นแหละอนุชาว่ามาดารินยักไหล น, น้อยน่าไม่ค่อยห่วงระพินสักเท่าไหร่หรอกสำหรับเดี๋ยวนี้เพราะมาคิดได้ว่าถึงยังไงแม่แม่มผมทองกับผมแดงนั่นก็คงไม่ยอมให้เขาต้องเป็นอะไรหรอกคงระวังดูแลอยู่แทบชนิดแม่คลาสายตาทีเดียวเอาลองไง เชิดฐานบนเบาๆลางหัวเราะมองดูน้องสาวอย่างเอ็นดูฮพอเริ่มมีความหวังว่ากําลังจะตามทันเอะน้อยก็เริ่มจะคิดไม่ดีกับเขาแล้วเปล่าน้องสาวคนเล็กร้องเสียงสูงดีเท่าบุรีลงกับพื้นพ้นบริเวณที่ปูลาดได้พรมหนังแกะน้อยน่ะไม่เคยที่จะไม่คิดไม่ดีกับพินก็คิดดีกับเขามาตลอดและ เอาความจริงมาพูดต่างหากล่ะอเมริกันพวกนั้นน่ะต้องพึ่งพาเขาอยู่แล้วคงไม่ปล่อยรับพินเป็นอะไรหรอกถึงเป็นก็ต้องรักษาเยียวยากันอย่างสุดฝีมือแหละพระชีวิตและความหวังของทุกคนฝากอยู่ที่รับพินคนเดียวแต่ในทางตรงข้ามทะโบกลูกศิ์ของรับพินเป็นอะไรลงไปพวกนั้นคงไม่รู้สึกอะไรนักรเพราะไม่ใช่กุญแจสําคัญในการเดินทาง แต่ในระหว่างที่เดินทางมากับเราในครั้งก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่คนนั่นหรือแม้แต่พวกลูกหาบน้อยจะดูแลใจใสอย่างดีหมดทุกคนมีคำถามให้ทุกคนช่วยคิดอยู่เสมอว่าสมมติว่าเราได้พบกับคณะของเขาแล้วเราพินงมองเห็นน้อยแล้วเพียงแต่ยิ้มยิ้มทักทายเฉยๆแบบคนเคยรู้จักธรรมดานล้ยควรจะทำยังไงดีเออและน้อยหวังว่าเขาควรจะทายังไง อนุชาถามมาปนหัวเราะเบาๆดารินนิ่งอึ้งไปชั่วขณะตามองดูปลายบุรีที่กำลังส่งควันกรุนอยู่และก่อนที่หล่อนจะกล่าวเช่นไรต่อมานั่นเองทุกคนก็แววเสียงฝีเทา้าย่ำพื้นใกล้บริเวณกระโจมพักเข้ามาพร้อมกับเสียงฝักดาบแกว่งกระทบแล้วร่างอันสง่างามของเมญานี ในชุดนักรบชาวมรกรนครชุดเดิมกับที่ได้พบกันในตอนบ่ายก็แหวกระโจมเข้ามาด้วยใบหน้าอันยิ้มแยม้มทุกคนไหวตัวหันไปกล่าวทักทายนางและดารินก็ดึงกายลุกขึ้นในทันทีนางพญาแห่งมรกรนครกวาดเนตรแลไปยังทุกคนกล่าวปราศัยถามถึงสภาพกา ร, รพักพรตลอดจนอาหารการกินซึ่งทุกค น, น, ห น, น, น, น, นให้หคาตอบว่าได้รับความสะดวก และเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วทุกอย่าง่างก็กล่าวขอบคุณนางปรากฏกายเข้ามายังกระโจมพักของฝ่ายอาคันตุกะเพียงลำพังในลักษณะเยี่ยมเยียนเพระาะได้แยกตัวออกไปโดยปล่อยให้ทั้งคณะอยู่กันตามลำพังตั้งแต่เริ่มตั้งค่ายพักชั่วคราวขึ้นและมีอาการคล้ายจะรอให้ทุกคนทางฝ่ายนี้ได้รับประทานอาหารพักผ่อนกันพอสมควรแล้ว เดิเข้ามาพบปะด้วยอีกวาระหนึ่งแผ่นดินนี้เปรียบดังบ้านอีกแห่งหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายนางได้กล่าวขึ้นด้วยกระแสะเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนระคนไปด้วยรอยยิ้มขอให้ทุกท่านทําตัวให้สบายและปลอดโปร่งใจไร้กังวลทั้งมวลกลางป่าดงขุนเขาลำเนาไพรที่เรายังพักแรมพนกันอยู่นี้ ก็อาจจะมีสิ่งขาดตกบกพร่องที่ไม่สะดวกสบายอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งจะเพียบพร้อมเมื่อเหล่าท่านได้เข้าไปถึงราชฐานแล้วสำหรับราตรีพักแรมนี้หากว่าขัดข้องหรือปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แจ้งแกทหารที่จะทำหน้าที่คอยพิทักษเวียนยามให้แกท่านอยู่รอบด้านโดยไม่ต้องเกรงใจทั้งสิ้นเมยานี แม้จักรราจะไม่ได้เสด็จมาพบปะบเราด้วยในขณะนี้แต่เธอก็ให้การต้อนรับแกเราอย่างอบอุ่นมากทีเดียวเชิดฐาตอบคำอย่างจริงใจขณะที่นางได้ก้าวย่างขึ้นมานั้นทุกคนได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับทั้งหมดอย่างแสดงอาการคาระวะให้เกียรติราชินีแห่งมรกฎนครอยู่ในทีแล้วเราทุกคนก็ยินดีที่เธอเข้ามาเยี่ยมเราในเวลานี้ เพราะกำลังอยากจะพบอยู่พอดีด้วยอาการหัวเราะเบาๆและเน่ที่เป็นประกายแจ่มมียานีเชื้อเชิญให้ทุกคนนั่งลงตามสบายเหมือนเดิมและตัวนางก็หย่อนกายลงนั่งร่วมวงด้วยเยี่ยงอดีตลูกสาวหัวหน้าขบวนการใต้ดินผู้ต่อสู้กับพวกทรราชในอดีตที่ผ่านมามิได้ถือตนอย่างใดทั้งสิ้นเป็นที่ชื่นชมและอบอุ่นไว้วางใจอย่างสนิท ของฝ่ายเชิดาทุกคนนางไม่ได้มีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปจากเมยานีคนเดิมที่เคยพบเห็นในครั้งก่อนเลยแม้จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นราชินีแห่งอาณาจักรแล้วก็ตามเมยานีเข้าใจว่าพวกพี่ๆคงจะอยู่ระหว่างการพักผ่อนแต่คงจะยังไม่ง่วงหรือว่าเข้าหลับนอนกันก่อนเมยานีก็เลยเข้ามาเยี่ยมเยียนสนทนาด้วย แต่ก็จะไม่อยู่กวนเวลาพี่ๆมากมายเกินไปนักอะเธอมาก็ดีแล้วล่ะพี่ใหญ่พูดอยู่เมื่อครู่นี้ว่าอยากจะมีโอกาสได้สนทนากับเธอก่อนที่จะเข้าไปถึงพระนครเพราะยังมีเรื่องที่จะคุยด้วยอยู่มากทีเดียวพบปะกันครั้งแรกและตลอดการเดินทางมาเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสพูดคุยอะไรกันได้มากนักทางเรากำลังอยากจะให้ทาหารไปเชิญเธอมาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสมควรไหม ก็พอดีเธอเป็นฝ่ายรู้ใจพวกเราแล้วก็แวะมาเยี่ยมก็ต้องขอบใจมากนะเมยานีดารินว่าแล้วก็เข้าไปนั่งชิคใกล้เมยานีชนิดไหลกระทบไหลนั่งยังคงแย้มสวนเบาๆอย่างอารมณ์ดีอยู่เช่นนั้นมองสบตาเชิฐทาชายยันและอนุชาไปตามลำดับเมยานีทราบค่ะว่าพี่ๆทุกคนในที่นี้ ประสงค์จะสอบความออกกมยานีในสิ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่ในใจก็เอาเฉพาะเท่าที่เธอพอจะให้ความจริงกับเราได้ก็แล้วกันละเมยานีอดีตพรานชดกล่าวเบาๆและชยันก็เสือ ม, มาในทันทีว่าเทนารับรองว่าเราจะไม่คาดคั้นบีบบังคับเธอให้ต้องบอกในสิ่งที่เธอยังไม่สามารถจะบอกได้หรอกนึกว่าเราสนทนาปราใสกันธรรมดาก็แล้วกันนะ ครั้งนั้นเราจากกันชนิดที่ไม่คิดหวังว่าจะได้ย้อนหวนกลับมาพบกันอีกแต่เดี๋ยวนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วก็จัดว่าโชคดีที่สุดก็คงต้องมีสารพัดเรื่องที่จะถามไถ่ทุกสุขซึ่งกันและกันทางฝ่ายเธอนะ่ะดูเหมือนจะรู้อะไรของเรามาก่อนล่วงหน้าแล้วโดยอำนาจพิเศษแต่ทางฝ่ายเรานะ่ะมืดมนไปหมดครั้งแรกนะ่ะเรามาตามพรานชดกับพรานนันอินโดยมีพรานระพินนำทางมา แต่คราวนี้เรามาตามพรานระพินโดยมีพรานชดกับพรานเท่านันอินเป็นผู้นําทางเมญีก้มเสียนลงน้อยๆค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญสำหรับน้ำใจของเพื่อนแท้ซึ่งไม่วันทอดทิ้งกันและนางจับข้อมือของดารินไว้บีบแน่นกระชับพูดต่อมาว่า และสำหรับรักแท้ที่จะต้องมาตามแม้จะเห็นความตายขวางหน้าอยู่อย่างชัดแจ้งเมยานีขอน้อมคำนับในน้ำใจอันประเสริฐของพี่ๆทุกคนชาวมรกรนครนิยมในน้ำใจอันซื่อตรงหนักแน่นมั่นคงเช่นนี้ของมวลมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ก็ตามหากทรงไว้ซึ่งความรักสามาคัคคีห่วงหาอาทรและเสียสละให้แก่กันได้เช่นนี้ เราก็ขอเธอทูลคารวะพวกพี่ๆนะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วล่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของระพินเลยนะเมยานีอนุชาเอ่ยขึ้นเหมือนจะบ่นกับตัวเองถ้าพรานระพินเขามุ่งหน้ามาที่นี่จริงอีกไม่นานพวกพี่ๆก็คงจะได้ข่าวของเขาเว้นไว้ซะแต่ว่า เขาจะตายซะก่อนเท่านั้นนางกล่าวเรียบเรียบซ่อนยิ้มไว้สนิทลอบชำเลืองหางตาไปทางดารินก็เห็นอยู่ในอาการปกติไม่ได้มีอากัปกิริยาเช่นใดทั้งสิน้นอันแสดงว่านายหญิงรักษาสัจจวาจาวไว้ได้จริงโดยไม่ได้แพร่พลายสิ่งใดออกไปให้คณะทั้งหมดรู้เออเนี่เมยานีเชีย่ยวากราวขึ้นอย่างแช่มช้า พี่อยากจะทราบเกี่ยวกับยานยานอากาศของมนุษย์สิ่โลกภายนอกที่มาอับปางอยู่ในดินแดนของเธอนะ่ะมันตกอยูบบ่บริเวณไหนละ่ะพอจะให้พวกพี่รู้ล่วงหน้าก่อนได้ไหมนี่เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ตรงเข้าเป้าหมายสำคัญที่สุดซึ่งทุกคนเงี่ยหูพึงและจ้องไปทางนางพญาแห่งมรดก น, น, น, น, นครเป็นตาเดียว พี่ใหญ่คะความจริงก็ไม่มีอะไรที่เมยานีจะต้องอัปิดบังอำพรางในเรื<_<_<_<_่องนี<_<_<_<_้หรอกค่ะอากาศเยลำนั<_<_<_้นได้หลงพลัดเข้ามาในเขตแดนของมรกรนครแล้วก็ได้ร่อนลงมาสู่ความอับปางพินาศอยู่ยังบริเวณพื้นราบด้านหลังของมหาปราศาสตร์ของแม่เจ้าอุมาเทวีหรือมหาสุสานอันเป็นที่เก็บประสบของกษัตริย์ราชวงศ์เทศ ที่ พ, กพีกพี่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนแล้วเมื่อคราวพิธีบรรจุศพของขุนพลกุตมะครั้งนั้นและบัดนี้ก็ยังคงปรากฏซากอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นประกาศสิทธิจากองค์จักรากราศก็คือไม่ให้ชาวมรกกนครคนใดเข้าไปแตะต้องยุ่งเกี่ยวด้วยเคยมีสภาพอับปางครั้งแรกยังไงก็คงอยู่ยางนั้น ทุกคนเต็มไปได้วยความตื่นเต้นอีกครั้งมันตกอยู่หลังมหาปราศาสตอุมาเทวีเหรอเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ห่างจากตัวพระนคร อ, ออกไปนักนะสิเชิทาอุทานออกมาเบ า, บ า, บาๆนางกม้มศีรษะลงนิดนึงใช่คะ่ะพี่ใหญ่มันก็ไม่ห่างออกไปนักหรอกมีมนุษย์ประจำอยู่ในยา น, ยานอากาศลํานั้นด้วยนะ แต่พวกเขาพี่ไม่ทราบว่ามีจํานวนเท่าไร่และบัด น, นี้พวกเขาเหล่านั้นเป็นไงมั่งละ่ะชายันถามมาเร็วปรือก็มีมนุษย์ติดอยู่ในยานอากาศที่อับปางลํานั้นจํานวน24คนค่ะทุกคนนสี้ชีวิตทั้งหมดศากดิศรก็ยังติดอยู่ในตัวยานบัด น, นี้คงจะเหลืออยู่แต่กระดูกแล้วมั้งเพราะแรงลงอดีตนายทหารปืนใหญ่ผิวปากโดยแรง หันไปมองหน้าพักพวกทุกคนเอาล่ะเป็นนั้นว่าเราได้ข่าวแน่ชัดแล้วเกี่ยวกับเครื่องบีห้าร้สองลำนั้นนี่คิดไปไม่ถึงเลยนะว่ามันจะไปตกอยู่หลังมหาสุสานอันเป็นแหล่งเดียวกับที่เก็บขุมเพชรพระอุม מ นั่นเองเชิดฐานเมมริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงและมันตกอยู่ในสภาพไหนล่ะพินาศยับเยินเพียงไรและมีอาการแตกระเบิด มีไฟลุกขึ้นมั่งหรือเปล่าหล่กอนุชาซักต่อมาเริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขนักพี่กลางคะยาลำนั้นอะตกลงมาเหมือนกับนกร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าเลยส่วนหัวของมันอะปักจมลงไปในพื้นดินส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นปีกข้างหนึง่งหักพินาศแล้วก็มีส่วนอื่นๆแต่กระจายเป็นเศษอยู่รอบๆ อ, อาณาบริเวณ แต่ไม่มีอาการไฟลุกขึ้นยังไงทั้งสิน้นเป็นยานขนาดใหญ่มากชาวมรกรนครเห็นมันร่อนลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนโดยไม่มีเสียงใดๆทั้งสิน้นมันร่อนต่ำลงแล้วก็ต่ำลงและในที่สุดก็หัวปากทิ่มลงไปกับพื้นสุดสิ้นปริโยสารอยู่ณตำแหน่งนั้นณนะวันที่มันมาอับปางจัจรราชมียานีพร้อมด้วยกองทัพมรกรนครส่วนหนึ่งก็ได้ออกมาดู เขาได้รับรายงานกราบทุนจากกองทหารมาลาดระเวนจักราราษฎรับสั่งให้เหล่าทหารและประชาชนทั้งหลายน่งอยู่ห่างๆพระองค์เสด็จควบมาเข้าไปจนถึงซากนั้นเพียงลำพังองค์เดียวเมื่อทรงกลับออกมาก็ทรงบอกกมีาณีว่าถึงเวลาที่พรานใหญ่ระพินไครวันจะต้องตับมายังมรกรนคร อ, อีกแล้วแล้วก็ทรงประกาศห้ามไม่ชาวมรกรนครคนใด เข้าไปในรัศมีใกล้เคียงอีกเลยนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยดารินขย่าวแขนถามพยายามระงับความตื่นเต้นไว้อย่างเต็มที่ก็ประมาณสี่เดือนเศษที่ล่วงมาแล้วเนี่ยละคะ่ะนายหญิงเมยา น, นีเมื่อยานลำนั้นล่วงลำเข้ามาตกพินาศในดินแดนนี้ นอกจากจักรราจะรับสั่งทํานายเหตุการณ์ว่าพรานระพินจะต้องหวนกลับคืนมาที่นี่พระองค์รับสั่งยังไงอีกมั่งผู้ถามในครั้งนี้คือเชษฐาซึ่งสุ ข, ขุมและรอบคอบเยือกเย็นกว่าทุกคนในคณะพี่ใหญ่คะพระองค์ก็ไม่ได้ทรงรับสั่งเช่นไรอีกหรอกนอกจากพระองค์จะเริ่มต้นปฏิบัติกิจชนิดหนึ่งอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เพื่อก่อให้เกิดผลบางประการเมื่อพวกพี่ๆได้ไปถึงพระนครก็จะได้เห็นเองล่ะว่าพระองค์กำลังทรงปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่แล้วเมื่อก่อนหน้าที่คณะของพี่ใหญ่จะเหยียบขึ้นถึงกลางถนนพระศิวะก็ได้มีองค์การตรัสใช้ให้เมยญานีนำกองทัพมามาคอยดักรับอยู่อย่างตำแหน่งที่เราได้พบกันเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าช้ า, ชา อืมถ้าอย่างนั้นก็น่าจะแปลว่าพระองค์ทรงรู้อยู่ดวงหน้าแล้วว่าพวกพี่จะมาถึงเมื่อไหร่จึงกำหนดสั่งให้เธอไปคอยดักรับอยู่เช่นนั้นในตำแหน่งที่ถูกต้องเสด้วยเราจะพูดถึงยาลำนั้นอีกสักครั้งในตัวยาได้บรรทุกเอาอาวุธมหาประลัยร้ายแรงของชาวโลกภายนอกติดมาด้วยนะและ้วมันอับปางอยู่ที่นี่พวกพี่ก็เป็นห่วงเหลือเกิน ว่าพิษร้ายของมันจะสามารถทำลายทั้งพืชพันธุ์และทุกชีวิตให้สูญสิ้นไปได้ทั้งแผ่นดินทีเดียวถ้าหากว่ามันเกิดแตกหรือว่าระเหยขึ้นไมายานยิ้มสันสีรัร์น้อยเรื่องนี้ขอหายพี่ทุกคนได้เป็นห่วงวิตกไปเลยค่ะในแผ่นดินของสิวเทพที่ประทานให้แก่พวกเราได้มีชีวิตอยู่ตรงเซี่ยวส่วนนี้ จะไม่มีอำนาจใดๆของมนุษย์จากโลกภายนอกเข้ามาสําแดงพิษภัยเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เลยมันจะคงเหลือสภาพเพียงแค่วัตถุเหมือนสะเก็บดาวที่ร่วงหล่นลงมาเท่านั้นจักรราชนั้นไม่ได้ทรงวิตกอยู่ในเรื่องนี้เลยทรงวิตกห่วงใยแต่เพียงคณะของพวกท่านทั้งหลายที่จะเดินทางมาไม่ถึงมรกรนครเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทรงกังวลที่สุด นางกล่าวเพียงเท่านั้นก็แสดงท่าให้ทราบชัดโดยอาการบ่ายเบียงปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆอีกโดยยืนยันแต่เพียงขอให้ทุกคนได้เดินทางเข้าไปถึงพระนครซะก่อนแล้วสิ่งอันเป็นข้อสงสัยทั้งมวลก็จะได้ประจักแจ้งออกไปเองขณะเดียวกันนางก็ชวนสนทนาไปถึงสารทุกสุขดิบของแต่ละบุคคลแม่แตนานอินและขยิน ซึ่งทุกคนก็ได้โต้ตอบสนทนาด้วยอย่างมีความสุขเมื่อย้อนระลึกไปถึงคืนวันในอดีต ท, ที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาในคราวศึกกู้ออราชบัลลังก์เมื่อได้เวลาอันสมควรเมยานีได้ลุกขึ้นกล่าวอำลาชั่วคราวเพื่อจะกลับไปยังกระโจมพักของตนพี่่คะ ขอให้พี่ๆพักผ่อนอย่างเป็นสุขไร้กังวลใดๆทั้งสิ้นที่วารุ่งพรุ่งนี้เมื่อเห็นแสงตะวันเราจะเร่งออกเดินทางทันทีโดยกำหนดจะถึงมหานครในยามบ่ายค่ะเมายาณีกล่าวเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะโบกมืออำลาและพระกกลับออกไปจากกระโจมพักของคณะอาคันตุ ก, กะ